ผูกกินมันหมดแล้วผูกกินมันหมดแล้วสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับหาก้มมาเล่าให้ทุกคนฟังหลายคนคงจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันก็คือชื่อที่ใช้เรียกผีชนิดหนึ่งที่มีความน่ากลัวมากเลยทีเดียว ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงภาคเหนือหรือภาคอีสานแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องผีก็คงจะหนีไม่พ้นผีปอบหรือไม่ก็ผีกะนี่ก็ว่าโหดแล้วนะครับแต่ถ้าคุณได้รู้จากผีทางภาคอีสานที่มีชื่อว่าหาก้อมแล้วเนี่ยความร้ายกาจของมันน่ะยิ่งกว่าหาก้อมเนี่ยก็คือผีที่มีวิชาสูงกว่าปอบเพราะว่าคนที่จะเป็นหาก้อมเนี่ยก็ต้องเคยเป็นปอบมาก่อนแต่ด้วยวิชาแล้วก็ตะบะที่แก่กล้ามากเนี่ย แล้วก็เคยเป็นคนที่มีสายเวทขั้นสูงวิชามนดําแล้วก็ทําปิดครูเหตุนี้จึงทําให้หาก่อมเนี่ยมีอํานาจเหนือกว่าปอบทั่วไปยายของผมเคยเล่าให้ผมฟังสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าหาก่อมเนี่ยมันคือโคตรปอบเพราะว่าปอบทั่วไปเนี่ยยังแค่กินคนกินเลือดแล้วก็กินเนื้อดิบๆแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่มันกินเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตายแล้วแต่ถ้าปอบที่มีอายุมากหน่อยเนี่ยก็จะถึงอาจจะขั้นหักคอคนเป็นๆได้ โดยที่มันไปเป็นวิญญาณ น, นะครับไม่ได้ไปเป็นตัวแล้วก็มันเนี่ยจะมีฤทธิ์มากในตอนกลางคืนกลับการถ้าเป็นหาก้อมเนี่ยมันจะมีฤทธิ์แล้วก็ความน่ากลัวเนี่ยมากกว่าปอบหลายเท่าเลยครับมันกินคนเป็นๆแล้วมันก็จะมีฤทธิ์ทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็ไม่ต้องมาแบบเป็นวิญ ญ, ญาณนะครับก็คือจะมาแบบเป็นตัวเป็นๆให้เราเห็นเลยครับและยายผมเนี่ยก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าถ้าใครที่มีจิตอ่อนหรือมีเคราะด์ดวงใกล้จะถึงคาดในเวลานั้นเนี่ยมันก็จะกินเลย ถึงขนาดขั้นที่ว่ามันแค่เดินผ่านคนคนนั้นเนี่ยคนคนั้นก็จะล้มแล้วก็ตายลงทันทีเลยจากคําบอกเล่าก็จะเห็นว่าหากราบเนี่ยร้ายกาจกว่าปอบมากหลายเท่าเลยนะครับสมัยก่อนหมู่บ้านผมยังไม่มีไฟฟ้าใช้อันนี้ผมยังทันอยู่นะครับถ้าข้างบ้านมีคนป่วยหรือมีคนแก่ไม่สบายคนแถวบ้านเนี่ยก็จะแห่พากันไปเยี่ยมกันทั้งหมู่บ้านเลยไม่เหมือนคนสมัยนี้หรอกครับและด้วยความที่เป็นหมู่บ้านสามัคคีเนี่ยเราก็เลยจะไม่มีทางรู้เลยว่า จะมีใครที่เป็นปอบหรือเป็นหาก้อมแฝงมาอยู่ในคนหมู่มากกลุ่มนั้นด้วยโชคร้ายของลุงคนที่ป่วยครับเพราะว่าหลังจากชาวบ้านคนอื่นๆที่เขาไปเยี่ยมแกเขาก็ทยอยกลับกันหมดแต่มีชายแก่อยู่คนหนึ่งครับแกเดินขึ้นไปเยี่ยมคนป่วยหรือลุงคนเนี้ยในบ้านแต่ว่าแกก็หยิบพริกหยิบหอมติดมือมากํามือหนึ่งด้วยสิ่งที่แม่คาดฝันก็คือตอนที่แกเดินลงมาจากบ้านเนี่ยแกก็เดินลงมาตัวเปล่านะครับ คนที่เป็นญาติของลุงเนี่ยเห็นเข้าเขาก็เอะใจก็เลยเดินขึ้นไปดูปรากฏว่าคนป่วยได้นอนตายไปแล้วแต่เพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวแค่นั้นนะครับคนที่เป็นญาติของลุงคนนั้นเนี่ยเขาหันกลับไปมองชายแก่แต่ชายแก่คนนั้นเนี่ยก็ได้หายตัวไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครได้พบเห็นแก่อีกเลยแล้วก็มีอยู่อีกเรื่องนึงครับเกิดขึ้นที่ข้างบ้านของผมอันนี้ผมเห็นกับตาตัวเองเลยคือวันนั้นเนี่ยพ่อผมนั่งคุยอยู่กับลุงข้างบ้านครับ แล้วจู่ๆเนี่ยผมเห็นเหมือนมีเงาดําๆเนี่ยวิ่งพรวดผ่านข้างหลังตรงตําแหน่งที่ลุงแกนั่งอยู่แล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นครอยู่ดีๆลุงแกกงหายหลังตึงเลยลงไปนอนกองกับพื้นตัวแข็งทื่อพ่อผมกับชาวบ้านที่เห็นเนี่ยก็เลยช่วยกันพาแกรีบส่งโรงพยาบาลแต่หมอกับพยาบาลเนี่ยก็สรุปว่าแกหัวใจล้มเหลวแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีคนตายเพราะปอบอีกคนหนึ่ง เมื่อปลายปี2559ที่ผ่านมานี่เองครับแกก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลหรอกครับแกเป็นแม่ยายของลุงคนนั้นแหละคือแกเนี่ยป่วยมานานแล้วแล้วก็ช่วงที่แกซุดหนักเนี่ยคือแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือจะมีหมามาหอนหน้าบ้านแกทุกคืนเลยแล้วก็ปกติเนี่ยพ่อผมจะสวดมนต์เป็นประจำแล้วก็ด้วยความที่บ้านเราอยู่ใกล้กันเนี่ยตลอดเวลามันก็เลยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีอยู่วันหนึ่งครับพ่อของผมเนี่ย ไม่ได้สวดมนต์ตามปกติเพราะว่าแกเนี่ยต้องไปธุระที่ต่างจังหวัดแล้วก็คืนนั้นเองยายคนนั้นน่ยแกก็ตายเลยอาจจะเป็นเพราะว่าบารมีของบทสวดหรือเปล่าที่คอยปกป้องยายแกไว้จนถึงวันหนึ่งเนี่ยที่บทสวดมันขาดหายไปปอกมันก็เลยมาเอาชีวิตของแกสมัยเมื่อตอนผมเป็นเด็กเนี่ยคนต่างหมู่บ้านหรือว่าคนต่างถิ่นเขาจะพากันมารักษาเรื่องพวกเนี้ยที่บ้านผมบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นผีเข้าเป่าหัวเด็ก เป่าเพื่อไล่ผีตอนที่ผีมากวนเพราะว่าตากับยายผมเนี่ยท่านจะช่วยรักษาคนที่โดนปอบเข้าหรือว่าผีเข้าหรือว่าโรคต่างๆจนวาระสุดท้ายของท่านน่นแหละครับที่คอยช่วยเหลือคนมาตลอดแต่ก็ไม่มีลูกหลานคนไหนเนี่ยที่สืบทอดวิชาต่อจากแกเลยตำราต่างๆตอนนี้ก็ไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วแล้วผมอยากจะเล่าวาระสุดท้ายของท่านตอนที่ตากับยายผมเสียเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังกันพอท่านทั้งสองเนี่ย ตั้งตนเป็นอริกับของพวกนี้มาก็นานแล้วผมจะขอเริ่มจากคุณตาผมก่อนเลยแล้วกันนะครับช่วงก่อนที่คุณตาผมจะเสียเนี่ยเ ก, กก็ป่วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังเป็นเด็กอยู่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมตอนแก น, นอนเนี่ยเกต้องเอาแหจับปลามาคลุมม้งที่แกนอนอไว้ตลอดเลยผมก็สงสัยจนได้เจอกับตัวเองจะจระในครั้งนั้นแหละครับซึ่งตอนนั้ น, เ, นเป็นช่วงเย็นๆชาวบ้านเขาก็พากันมาเยี่ยมคุณตาของผม จนเวลาสามทุ่มทุกคนก็ทยอยกลับบ้านกันไปหมดตอนนั้นเนี่ยผมยังนอนไม่หลับแล้วก็ที่ที่ผมนอนเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆบันไดซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยจะชอบเอาตู้เสื้อผ้ามากั้นเป็นห้องแล้วก็เวลาผมมองผ่านลอดใต้ประตูตู้เสื้อผ้าไปเนี่ยผมก็จะเห็นบันไดในครั้งนั้นเนี่ยผมมองลอดใต้ตู้ไปผมเห็นยายแก่คนหนึ่งผมขาวอยู่ดีเกก็เดินดุ่มๆขึ้นมาบนบ้านผมเลยแล้วก็ตรงไปตรงที่ตานอน ตอนนั้นเนี่ยตายังนอนอยู่ในมุ้งปกติอยู่นะครับยังไม่ได้เอาแหนมาคุมแล้วผมก็ได้ยินเสียงคนสู้กันเสียงดังมากเลยครับตอนนั้นแต่ผมก็ยังแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งคือตอนยายแกขึ้นมาเนี่ยแกขึ้นมาทางบันไดแต่ตอนลงไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าลงไปตอนไหนเพราะผมก็นอนเฝ้าบันไดอยู่ตลอดแล้วก็จากเสียงเอะอะวยวายเนี่ยมันก็เลยทําให้คนทั้งบ้านเนี่ยตื่นขึ้นมาพอได้ถามไถ่กันเนี่ยสรุปว่ายายคนนั้นแหละครับคือหากล่อมมันจะมากินคนป่วย นั่นก็คือตาผมนั่นเองตาบอกว่ามันยื่นมือเข้ามาในมุง้งแล้วก็ดึงขาตาแต่ตอนนั้นเนี่ยตาผมก็พยายามที่จะเรียกยายที่นอนอยู่ข้างๆนะครับซึ่งยายผมเนี่ยแกก็ไม่ยอมตื่นซึ่งจริงๆอยู่นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยตาผมป่วยก็จริงแต่แกก็ยังมีคาถาคมอยู่พอสู้กันไม่ได้สักพักหนึ่งอ่ะแกก็ถีบไอ้ผีตัวนั้นออกไปแต่ก็แปลกใจอย่างที่ผมบอกนะครับคือมันขึ้นมาทางบันไดบ้านแต่ตอนลงไม่รู้มันลงไปตอนไหน และหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาตาแกก็จะนอนโดยใช้แห่คลุมมาตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของแกแล้วผมก็เห็นนะครับว่ามีคนเนี่ยเอาหวายใส่ลงไปในรงของตาด้วยสรุปก็คือการนอนในแห่เนี่ยเพื่อกันปอบและการเอาหวายใส่ลงไปในรงเนี่ยก็เพื่อกันไม่ให้ปอบมากินศพนั่นเองแล้วก็มาถึงเรื่องของคุณยายบ้างหลังจากที่จบงานศพของคุณตาเรียบร้อยแล้วเนี่ย ยายของผมเนี่ยท่านก็ยังคงออกไปรักษาคนตามปกตินะครับก็จะไปรักษาคนที่โดนผีเข้าโดนปอบเข้าตามสถานท <et ina> ี่ต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยแกก็ไปรักษาคนที่โดนปอบเข้าที่อยู่ต่างหมู่บ้านคือตอนที่แกเดินขึ้นบ้านไปเนี่ยแกยังไม่ทันทําอะไรเลยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยปอบมันก็หนีออกจากร่างคนนั้นไปและในระหว่างที่ยายผมเนี่ยกาลังจะเดินทางกลับแกก็เดินลงบันไดอยู่ดีๆเนี่ย ปอมันก็ถีบยายผมตกบันไดเลยครับอันนี้ยายผมเล่าให้ฟังนะครับคนแก่เนี่ยแค่หกล้มเนี่ยก็ว่าสุดแล้วแต่ยายผมเนี่ยตกบันไดครับอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหลังจากวันนั้นมาเนี่ยยายผมก็ซุดหนักเลยครับถึงกับขั้นล้มหมอนนอนเสือเลยเหมือนแกจะรู้นะครับว่าวาระสุดท้ายของแกเนี่ยมันใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้วแกก็เลยเป่าประกาศแจ้งลูกหลานให้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วแกก็จากไปอย่างสงบเลย สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนมีของดีรักษาแค่ไหนคนเราก็หนีไม่พ้นเวรกรรมหรอกครับดูอย่างตาผมสิครับรักษาคนทั้งเป็นโรคมะเร็งโรคอื่นๆที่หาทางรักษาไม่ได้ตาผมก็รักษาหายมาแล้วแต่ตาผมเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้แล้วก็ยายผมช่วยคนมานักต่อนักแล้วทั้งโดนผีเข้าทั้งโดนผีรังควานแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแกเองก็ต้องมาตายเพราะผีอยู่ดี สมัยก่อนเนี่ยของพวกนี้มันเยอะมากเลยนะครับไฟฟ้าก็ยังไม่มีถนนหนทางก็ยังเป็นทางเกวียนอยู่เลยห้าโมงเย็นเนี่ยทยอยกันขึ้นบ้านนอนเยนยละครับตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมชอบให้ยายเล่าให้ฟังตอนที่แกสู้กับของพวกนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมยายผมถึงสู้กับผีได้ใช่ครับยายของผมเนี่ยแกเป็นหมอธรรมหรือว่าทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าครูบาธรรม ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นภาษากลางหรือว่าเป็นคนกรุงเทพเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเป็นหมอผีแต่จริงๆไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ร่างทรงด้วยเพราะผมไม่เคยเห็นยายแกเป็นร่างทรงหรือว่าเปลี่ยนร่างเปลี่ยนเสียงอะไรอย่างที่เราเคยเห็นกันทุกวันนี้แต่ว่าแกจะสามารถคุยแบบครูบาธรรมแบบ ส, สดๆได้เลยแล้วก็เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยมันจะมีว่านชนิดหนึ่งที่สามารถกันของพวกนี้ได้ว่านชนิดนั้นเนี่ยมีชื่อว่าว่านไพรนะครับ แต่อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าบ้านผมเนี่ยก็ปลูกรอบบ้านแต่ปอบมันก็ยังเข้ามาได้ก็ยังว่านะครับตาบอกว่าคนนั้นเนี่ยมันเป็นหาก้อมอันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงเหมือนกันล่ะครับแต่เอาไว้ติดตัวกันไว้ก็ดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นต้นไหวายใบายนาดแห่ทอดปลาหรือการสวดมนต์ไหวพระบำเพ็ญศีลภาวนาเนี่ยไอตัวนี้ก็สามารถจะช่วยได้นะครับและเรื่องเลวาที่ผมอยากจะเล่าก็มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบขอบคุณครับขอขอบคุณแหล่งที่มาเรื่องเล่าจาก www.palangjit.org ขอขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ